สินนั้นแปลวปกติกายปกติวาจาปกติใจจึงเห็นว่ากายปกติวาจาปกติใจปกติอันความปกตินั่นแหละเียว่าสินถ้าเราไปรับสินห้าสินแปดสินสิสินสองอยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยก่าสามยังไม่เห็นกายเห็นวาจาเห็นจิตเห็ในใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมติเท่านั้นเอง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 บันนี้เมื่อเราเหลียวหลังเรามองเห็นสภาพควมเป็นอยู่การทำเราทำมาแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องรู้กันเลียวซ้ายแลหัวเลียวดูที่คนกำลังทำอยู่นั่นนะเขาทำอย่างไงเขารู้สภาพอุปาว r ที่เขาทำแล้วหรื อ, อยังเนียเลียวซ้ายแลขหัวมองเข้ามาถึงตัวเราโอตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทาเช่นนั้น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 ที่พระพุทธเจาท่าสอนว่าสัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่ทาแต่เราไปตลาดถนาอ้อนวอนขอร้องเอาทําบุญแล้วก็ขอร้องเอาไหว้วอนเอา มันเป็นไปไม่ได้ยางนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำเอง